พอเริ่มต้นก็บอกให้หันปียิ้มกับคนข้างๆชาวพุทธต้องเบิกบานนะอย่าไปวาดภาพว่าชาวพุทธจะต้องซึมๆเครียดเครียดเข้าใจผิดละะถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆใจของเราฝึกอบรมมาดีนี่ใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสุขมันมีความอิ่มเ อ, อิบจากภายในนะความมีเ อ, อิบจากภายในนะมันล้นออกมามันใช้ออกมา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 มีเงินเยอะๆจะมีความสุขมีตำแหน่งใหญ่ๆมีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีครอบครัวดีๆนะมีภรรยามีลูกมีสามีอะไรเนี่ยสามีดีภรรยาดีลูกดีก็มีความสุขนเนี่ยก็ฝ่ายฝันแสวงหาความสุขกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะถึงจนดหนึ่งพอแก่มากๆเจ็บป่วยบ่อยๆกระสอบกระแสะนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยนะแค่นั้นก็รู้สึกมีความสุขแล้ว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 มันมีความสุขอยู่ทั้งวันมีความสุขอยู่ทั้งคืนนะเศรษฐกิจกไม่ดีก็ยังมีความสุขนะ mm. ร่างกายเจ็บป่วยก็ยังมีความสุขทําไมมีความสุขอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้เพราะไม่ยึดถือกายยึดถือใจทํายังไงถึงจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจได้ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจตัวที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ทั้งคือตัวปัญญานั่นเองพระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าบุคคลเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธินะ แต่ศีลและสมาธินั้นเพือกูลให้เกิดปัญญาเท่านั้นเองตัวสำคัญก็คือต้องพัฒนาจนมันเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจให้ได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ก็คือเราต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวเครื่องมือตัวแรกเรียกว่าสติเครื่องมือตัวที่2เรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าเรามีสองตัวนี้มีเครื่องมือสองตัวนี้นะปัญญามันจะเกิด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 หมายถึงว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นที่กายสติระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติระลึกได้โดยไม่ได้จงใจจะระลึกนะถ้าจงใจระลึกนะเจือปนด้วยความอยากเจือปนด้วยโลภะนะไม่ใช่สติตัวจริงหรอกทำยังไงสติที่แท้จริงถึงจะเกิด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 ไปรอดูจะไปดูจิตนะก็รอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้กลายเป็นการเพ่งจิตไม่มีอะไรให้ดูหรอกต้องรอให้สภาวะมันเกิดก่อนเช่นมันมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีติมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขมันเฉยเยรู้ว่าเฉยเฉยมันโลภมันโกรธมันหลงก็ค่อยรู้เอาให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้นั่งฟังนะ่ะสมาพูดบางคนใจลอยยมรู้สึกไหมใจลอยใจหนีไปคิด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 เล่นอยู่วันเดียวสองวันเองนี่ยอีกวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนเดินอยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานละมันดีใจไม่ทันดูว่าดีใจนะเนี่ลืมตัวเลยเห็นเพื่อนซึ่งแม่ไม่เจอขนานันก้าวขาไปนะั้นจะข้ามถนนขเท้าเคลื่อนปั๊บเนี่ยแม้ร่างกายเคลื่อนไหวเราเคยฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกข้อเท้าเราเคลื่อนไหวทนะมันรู้สึกตัวขึ้นมาเองรู้ว่าเมื่อเกี้หลงอยู่ใจก็ตื่นขึ้นมาหนยะ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 มันจะเหมือนกับเรานั่งอยู่บนอัศจรร์แล้วเห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาตัวที่เป็นนักฟุตบอลก็คือกายกับใจนั่นเองมันวิ่งไปวิ่งมามันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนนะไม่เคยหยุดนิ่งเลยแต่ใจนั้นเป็นผู้รู้ขึ้นมาใจเป็นผู้แยกออกมารู้นะอยู่ต่างหากเราค่อยๆสังเกตทํายังไงใจของเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้วิธีการนั้นทําได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งทำชนันะคนรุ่นเรานี่ทําชาญยากแล้วเพราะพวกเราเนี่ยประกอบอาชีพด้วยการคิดคิดมาก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 ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราจิตใจที really, poet, ่เคลื่อนไหวอยู่นะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่เราเห็นซ้ําแล้วเห็นซ้ําอีกะซ้ำไปเรื่อยๆนะเ็ดวันเจเดือน7ปีดูไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปอย่างสบายๆถึงวันหนึ่งถึงวันหนึ่งนะเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแล้วแต่ว่าอินทรีย์แก่อ่อนกว่ากันไม่เท่ากันถ้าอินทรีย์แก่กล้านะใช้เวลาไม่นานจิตก็ยอมรับความจริง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 จะเป็นพระโสดา บ, บันได้ก็มีสตินะมีสมาธิจนกระทั่งกเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา mm hmm. ให้เห็นเลยมันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ยากหรอกนะตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลครั้งแรกนะไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติ หลวงปู่ไม่สอนนะตอนนั้นหลวงปู่นั่งหลับตาเลยเกือบชั่วโมงเนี่ยเราก็นึกนั่งโอ้หลวงปู่อายุทั้งเก้าสิบห้าแล้วสงสัยเพิ่งชั้นเข้ามาอิ่มๆนะหลับไปแล้วนะหลวงปู่หลับไปแล้วเราถามว่าผมอยากภาวนานะท่านหลับไปเลยเราก็รอเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นวะรอไปนานเลยนะรอรเพราท่านตื่นลืมตาขึ้นมาไม่ใช่ท่านตื่นแลท่านตื่นอยู่แล้วท่านไม่ได้หลับหรอกท่านคงสอบประวัติแล้ว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 มีอะไรเกิดขึ้นในกายเราคอยรู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจเราคยรู้เช่นใจเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเราทำตัวเป็นนักอ่านที่ดีตอนนี้จิตเล่นบทโกรธแสดงละครเรื่องโกรธให้ดูเราก็รู้ทันว่าจิตมันโกรธตอนนี้จิตมันโลภขึ้นมาจิตมันหลงขึ้นมาเราตามรู้มันไปเรื่อยๆดูมันทํางานไปไม่เข้าไปแทรกแซงนะแค่ดูมันทํางานไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานนะั้นเราจะเข้าใจความจริงเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป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 ถ้าเป็นนักเพ่งอาชีพเนะี่ยพอมาดูจิตนี่ไปเพ่งจิตแล้วมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูดูไปดูไปเพ่งมากๆก็โมโหซะอีกจะขออนุญาตอย่างนี้นะคะอะเราอยากจะขอคําถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าที่จะถามเฉพาะตนนะคะนะคะจะขออนุญาตเป็นแบบนี้คะ่ะข อ, ขอคำ<ข>อถา ม, มาสุดท<า>้ค่ะขอ<า>ขอนุญาตแค่คหนึ่งคำถามนะคะคุณพี่คะหลวงพ่อค ะ, ะให้คุณแม่มีดวงตาเห็นธรรมทำยังไงดีคะ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 อยากให้มันสุขสุกเฉยๆก็ไม่เอาต้องเอาสุขถาวรใช่เราอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะต่างหากเราถึงไม่ได้ธรรมะสติถ้าเมื่อไรใจเรายอมรับธรรมะเรารักธรรมะจริงๆนะเรารู้ลงในใกายในใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งกายทั้งใจใจนี่มีอะไรบีบคั้นนะมีตัณหาบีบคั้นมีความอยากบีบคั้นตลอดร่างกายนั้นถูกเวทนาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมันทนอยู่ไม่ได้หรอก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 คือคือเนื่องจากว่าจํานวนคนเยอะนะคะเราอยากจะให้อ่าเกิดความยุติธรรมแล้วก็เกิดความทั่วถึงถ้าเกิดว่าท่านท่านเดียวแต่ว่าถามคําถามเยอะจนเกินไปนะคะก็จะทำให้ท่านอื่นหมดสิทธิเนื่องจากว่าเวลามันก็จะหมดไปนั่นคือประเด็นนะคะอ่ามีท่านใดอยากจะถามอีกไหมคะเชิญค่ะขอเสียงดังนะคะเนื่องจากไม่ไปไม่ถึ ง, ง, งอ่าเอาเคมาอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะหนึ่งคำถามนะคะข อ, อะถาม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 คนที่มีประสบการณ์ตรงมีมีคุณค่ามากนะอย่างบางคนเนี่ยเรียนตำราค้าขายมาสู้ท่านพวกเจียรติระดนอะไรนี้ไม่ได้ไหมนี่ท่านประสบการณ์ตรงขท่านมีอะ่ะเนี่ยเพราะงั้ น, นการภาวนานะให้ประสบการณ์ตรงซึ่งอัศจรรย์จริงๆเลยล้างกิเลสได้จริงๆอย่างพวกเด็กใช่หไหมเรียนดอกตอ้ดอกเตอร์นะให้มาค้าขายทำให้เป็นรู้หมดเลยนะวิธีค้าขายทำยังไง ร, รู้หมดเลยแต่ทาไม่ได้ ค่ะขออนุญาตพี่ที่ยืนนะคะเชิญค่ะเสียงดังๆนะคะพอดีเมื่อเมื่อเช้าเนี้ยค่ะหนูได้อ่านดูจิตปีแรกของของหลวงพ่อนะคะแล้วก็พูดถึงการเห็นรูปนะคะว่าเห็นเหมือนภาพการ์ตูนนะคะทีนี้ตอนหนูเคยเห็นเห็นเห็นรูปอ่ะเห็นกายไม่ใช่ตัวเราครั้งครั้งหนึ่งนะคะหลวงพ่อแต่แต่ไม่ได้เห็นแบบลักษณะที่ที่หลวงพ่ออธิบายไม่ใช่เลยเห็นเรื่องอะไงก็ได้เห็นว่ามันไม่ใช่เราก็ใช้ได้แล้วแล้วที่เป็นการ์ตูนนี่คือเขาจะเป็นแบบเกิดดับ แล้วเป็นอันนั้นสติเราต้องเร็วพอนะแล้วจิตตั้งมั่นเราจะเห็นรูปเกิดดับอย่างหลวงพ่อจะหยิบนาฬิกาเนี่ยจะเห็นรูปมันเกิดดับปัป๊บๆๆ๊บเหมือนรูปการ์ตูนเลยเห็นเกิดดับอ๋อแล้วแล้วจิต ก, กับเจตสิกนี่ต่างกันอย่างไรคะจิตจิตกับเจตสิกด้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกเป็นตัวที่มาประกอบกับจิต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 พอรู้ทันแล้วความโกรดสลายไปไม่มีอะไรเติมลงไปในจิตคะ่ะพี่พี่ผู้หญิงก่อนนะคะค่ะเสียงดังๆนิดนึงนะคะหนึ่งคำถามนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะเออไม่ทันก็ไม่ทันรู้เท่าที่รู้ได้นะแต่ถ้ารู้จนใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วเนี้ยวางซะ กลับมาทำความสงบใหม่ค่ะพี่ผู้ชายค่ะข้างหลังนะคะเชิญค่ะก็ให้รู้ว่าเพ่งนะก็ให้รู้ว่าประคองนะโอเคจบนะคะทางด้านนี้มีใครจะตั้งคำถามไหมคะเชิญค่ะเสียงดังๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ทีละแถวนะคะไล่ทีละแถวค่ะ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 ได้แต่เวลาที่คุณรู้เวทนาคุณระวังนิดหนึ่งนะอย่าไปประคองจิตให้นิ่งนะการรู้บางทีมีสองแบบรู้โดยที่ประคองจิตให้นิ่งๆนล่เราก็รู้ไปอย่างเงี้ยจิตทื่อๆอย่างเงี้ยแลรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องรู้แบบเป็นธรรมชาติธรรมดานะจิตใจต้องเป็นธรรมดาจริงๆ<พ>จิตตอนนี้เป็นธรรมดาไหมล่ะหลวงพ่อถาม <S <S โอตอนนี้ไปกดไว้ใช่ไหมถ้าจิตอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ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 แล้วจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตไม่ได้เจ็บความเจ็บความปวดนั้นเป็นอีกขันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาแล้วถ้าเกิดจิตป่ว ย, ล ย, วยแล้วด้วยหรอคะอะไรนะถ้าจิต่ยบางเวลาให้ไม้แล้วจะยึดไม้นะคะรบกวนส่งไม้ขึ้นด้วยค่ะถ้าจิตป่วยก็ให้รู้ทันฝึกให้มีสติไปนะ <c oughs> ให้เห็นเลยจิตไม่ยอมรับความจริงว่ากายจะป่วยจิตอยากให้หาย <c oughs> ให้รู้ทันใจที่อยากไหม <c oughs> จิตมันป่วยก็เพราะมันอยากนั่นแหละ ขอแถวที่สามนะคะแถวที่สามมีท่านใดยอยากจะถามไหมคะอ่า น, อ น, น้องสกลแถวที่สามหันขวาค่ะหันขวาคําถามเดียวนะคะเราขอความกรุณาขอความร่วมมือจากท่านด้วยนะคะจะได้ทั่วถึงกันนะคะครับเ อ, อส่วนใหญ่ลูกน้องที่อยู่ในคอนโทรลติดในการประสุขรวมทั้งตัวผมด้วยฮะแต่นี้จะใช้ข้ออะไรในการที่จะปฏิบัติในการที่จะรับพวกนี้ฮนะ ทำอะไรนะส่วนใหญ่จะติดในการมาสุขคือฟังชอบฟังเสียงเพลงชอบอะไรก็อคอยรู้ไปฉิดมีความสุขก็คอยรู้นะแล้วเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวสั้นนิดเดียวะพอเห็นบ่อยๆนะเราจะรู้ว่าโอ้โหเที่ยวหาการรมมาสุขแทบแย่เลยพอได้มานะเสกได้นิดเดียวก็หายไปละเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงวันนึงเราจะรู้ว่ากรรมาสุขก็เหมือนภาพลวงตาท่านเองไม่มีจริงหรอกอยู่แวบๆก็หายไม่เคยเต็มอิ่มหรอก หาแทบแย่เลยใช่ไหมอย่างสุงว่าจะไปกินข้าวขับรถไปตั้งไกลจะไปฟังเพลงขับรถไปตั้งไกลนะไปฟังแป๊บเดียวก็ไม่มีความสุขละพอเราเห็นได้มันเป็นเรื่องไร้สาระใจไม่เอาตอนนี้ยังเห็นว่ามีสาระก็เห็นไปก่อนค่ะทางด้านมุมนั้นมีท่านใดยอยากจะถามไหมคะเชิญค่ะคือแขั้นแรก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 ค่ะพี่อาเชนค่ะพี่พี่ผู้ชายค่ะอะไรนะ<ภ>ระพยคสุดท้ายมันรู้ชั่วคราวนะเราไม่ใช่พระโสดาบันงั้นบางทีก็ไม่มีเราบางทีก็กลับมามีเราอีกนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปบ่อยๆวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงไม่เวลามันยอมรับความจริงนะมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานนะเข้าโดยอัตโนมัติแล้วไปตัดกันในชานจริง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 ค่ะขอบพี่ที่ยืนอยู่ริม่ะเสื้อม่วงเชิญค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะหือทำไมไปดูอนาคตอ่ะปัจจุบันก็ดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันเพ่งมันตื่นเต้นไว้กดไว้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 เหมือนเราดูฟุตบอลอยู่เราไม่ได้วิ่งลงไปในสนามฟุตบอลในขณะนั้นเราก็ยังดูฟุตบอลอยู่แต่ไม่ได้วิ่งลงไปจิตก็ยังดูกายดูใจทำงานโดยที่ไม่ไม่ถลำลงไปในขณนะเดียวกันแล้วก็เห็นในขณนะนั้นเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ใช่เราหรอกค่ะแถวที่สองมีคาถามไหมคะแถวที่สองขอแถวที่สองก่อนนะคะพี่เชิญคะ่ะยืนขึ้นพูดเสียงดังนิดนึงนะคะถือไม้แล้วอย่าติดไม่นะคะ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 คุณพ่อไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคให้เขาเบิกในที่สุดเขาก็ออกไปอืมแล้วก็ไม่ได้มาใช่ไงฮะก็ได้คิดว่าเอ๊ะเวลาเจอเขาปุ๊บคือเมาเห็นเขากำลังไหว้พระอยู่ก็เลยคิดอืมช่างเหอะคนนี้นะเขาอะ่ะเคยเบิกเงินเกิ น, ก น, กน แ, ลแล้วไม่มาคืนแล้วก็หนีอืแต่ในใจก็บอกช่างเหอะเราพี่สรุปนิดนึงนะคะว่ามันจะยาวเกินไปอคือสรุปว่าเราเราเห็นจิตฮะว่ารู้ทันจิตว่าเรา คิดยังไงรู้สึกโกรธออตัวสำคัญ<ล>รู้ที่รู้สึกโกรธเสร็จแล้วเราก็เออปล่อยวางออก็อภัยให้เขายกให้ น, นั่นคิดเอานั่นคือเดียว่าหลังก็โกรธอีกนั่นคือการไม่ค่ะคืออยากจะทราบว่าตอนที่เราคิดว่าเออนั่นความคิดนั่นนะะ่ะนั่นคือการแทรกแซงหรือเปล่ปาแทรกแซง<ะ>คือการทําสมถะเพื่อให้หายโกรธคือถ้าถ้าเรารู้เราก็แค่รู้ว่าเออเราโกรธนะเราก็จะเห็นว่าสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไป อ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือวิปัสสนาค่ะแถวที่สามมีไหมคะเชิญขาพี่พี่ผู้หญิงลุกเลยนะคะหนึ่งคำถามเพื่อส่วนรวมนะคะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ค่ะพี่ขาเสื้อม่วงคะ่ะแถวที่สามนะคะนรมาส ก, การ์อาจารย์คะ่ะขอถามว่าบางครั้งเออเมื่อไม่นานมานี้ภาวนาแล้วอยู่อยู่มันก็มีความคิดมันมีมีความสึกขึ้นมาว่า อะไรอะไรมันก็ไม่ไม่สามารถผ่านกฎตายักได้อันนี้มันเป็นความคิดหรือปัญญาที่เราเกิดอย่าคิดนะอย่งคิดอยู่ใจเรายังไม่หลุดออกมาอืมแล้วแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงว่าเออถ้ามันถ้ามันรู้ด้วยปัญญาเนะ่มันจะปล่อยวางค่ะใจมันจะโล่งขึ้นมาละวางขาแถวสุดท้ายมีไหมคะพี่ที่ยกมือพี่ที่ยกมือก่อนนะคะขาเชิญค่ะเออบ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 พอสบายใจนะแล้วก็ค่อยมาตั้งหลักดูเห็นไหมว่าอยากให้เช็คไม่เด้งแกบอกใช่แกอยากให้เช็คไม่เด้งบอเด้งแล้วนะมันเด้งไปแล้วนะไปอยากอะไรที่ของมันไม่เป็นไปนได้นะนี่พอแกรู้ทันนะแกเห็นเออใจมันอยากนะใจก็คลายออกไปกินข้าวไว้พักผ่อนนะตื่นขึ้นมาสมองแจ่มใสแล้วพอสมองแจ่มใสแล้วคราวนี้มาคิดแก้ปัญหาทางโลก จะกระนอมหนี้หรเขาไม่หรือจะฟ้องล้มละลายหรือจะทำยังไงให้เสียหายน้อยที่สุดนี่ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาล้คนในโลกเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีความทุกข์ไปด้วยทำให้ไม่มีสติปัญญาจะแก้ปัญหานีงั้นไม่ใช่สามีมีกิ๊กเราจะภาวนายัางไงดีพุทโธพุทโธมันจะเลิกกับกิ๊กไหมคนละเรื่องเลยนะอย่างนั้นสมควรให้มันมีหรอค่ะ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 เราขอความกรุณานะคะขอคําถามเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะเรื่องจิตมันไม่ถึงฐานสุดท้ายค่ะจิตมันไม่ถึงฐานนะหลวงพ่อค่ะหนูกราบน้ำสการค่ะหนูขอถามเพื่อส่วนรวมนิดนึงอะคะอ่ะจะถามว่าหลวงคือทราบมาว่าความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิใช่ไหมคะและสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาค่ะอืม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 หาอารมณ์ที่มันเป็นกุศละเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือฟังซีดีหลวงพ่อไปเนี่ยอ่านหนังสือไปคิดถึงความตายไปยุคนี้ไข้หวัดระบาดเห็นไหมไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรนี่ยคิดถึงความตายจิตใจก็สงบขึ้นมาเนี่ยทําอะไรก็ได้ที่มันจิตมันเป็นกุศลน่ะค่ะขออนุญาตเป็นคําถามจาก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 นี่จะไม่ประมาทหรอกถ้าเราหลงระเริงเราคิดว่าอย่างแน่นอนยังไม่เป็นอะไรเราเราก็ประมาทไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาที่เกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ละ <Okay. S 2> การภาวนาเหมือนการหัดว่ายน้ําต้องหัดเสื้อตอนก่อนที่จะตกน้ำ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราต้องหัดตั้งแต่ก่อนที่มันจะทุกข์มากๆนะหัดจเจริญสติไปเป็ <Okay. S 2> ในใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว <Okay. S 2> ต่อไปเวลาเผชิญความทุกข์เผชิญปัญหาชีวิต <Okay. S 2> มันถึงจะสู้ได้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 ถูกต้องดูดูถูกเนี่ยครับมแปลกๆว่าอะไรอ่ ะ, <c oughs> อะดูจิตกับคือการดูไม่ใช่กา ร, การทำไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทําอะไรไม่ใช่ดูดีโอดูนะใช่ครับดูคือการที่เข้าไปเห็นสภาวะที่กําลังปรากฏเราเรียกคาว่าดูไปกันนะแต่คําที่ตรงๆนะคือคําว่าเห็นคําว่าวิปัสสนานะปัสสนาคือการเห็นเราพูดว่าดูจิตดูจิตจริ ง, รงๆเห็นนะเห็นจิต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 ผู้บริหารใจลอยซืย้อได้เยอะมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะบอกว่าพวกคนที่ทํางานที่ใช้ความคิดหนักๆเนี่ยจริงๆคิดวันหนึ่งประมาณสี่ชั่วโมงเวลาที่เหลืออาไว้ใจลอยเพราะฉั้นถ้าเมื่อไหร่เราสามารถจำแนกชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆอย่างสมมติว่าเตรียมจะไปประชุมเงี้ยดูเอกสารนิดหน่อยจับประเด็นละมีเวลานิดหน่อยระหว่างนั่งรถไปประชุมนะรู้กายรู้ใจไปเลยเวลาเล็กๆ เ, เนี่ยสําคัญนะเพราะมีเยอะมากเลย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 คอนุญาเป็นคำถามสุดท้ายนะคะมีวิธีที่จะทำให้จิตตั้งมั่นหรือไม่เจ้าคะก็ทำจิตเนี่ยนะเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เพราะั้นเราก็ต้องฝึกทำยังไงจิตจะตั้งมั่นให้จิตเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อนเนื่องจิตก็จะสงบขึ้นมานะแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามานจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาหัดรู้บ่อยๆแล้วใจก็จะตั้งมั่นบ่อยๆ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 ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคะรังเอวเมวาอิโดดินนางเปตานางอุปกระปติอิชิตังปะิตังตุมหังทิปะเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทพนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตตสภโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขขังพะลัง